กรรมเก่าจะพยายามรักษาเราไว้ในเส้นทางเดิมเสมอถามเคยทำกรรมอะไรจึงส่งผลอย่างที่เราเป็นในขณะ น, นี้วิธีหนึ่งที่เราจะรู้ว่าเราเคยทำอะไรมาคือให้ดูแนวโน้มทางความคิดในปัจจุบันดูว่าเราโตอตอบสถานการณ์ต่างๆอย่างไรก็พอจะเข้าใจเป็นเข้าเป็นเงาครับ เพราะกรรมเก่าจะพยายามรักษาเราไว้ในเส้นทางเดิมเสมอหากต้องฝืนใจไม่ทำเรื่องร้ายๆด้วยมโนธรรมในปัจจุบันขอให้รู้ว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดึงตัวเองออกมาจากเส้นทางเก่าๆถ้าคิดว่าเรากาลังเดินทางกรรมก็เปรียบได้กับหลายสิ่งเปรียบมันเงาติดตามตัวเรามาก็ได้เปรียบเหมือนเสบียงที่เราหาติดตัวไว้ก็ได้ เปรียบเหมือนรถยนต์ที่พาเราแล่นไปก็ได้เปรียบเหมือนเส้นทางที่เรากำลังวิ่งอยู่ก็ได้หรือกระทั่งเปรียบเหมือนจุดหมายปลายทางที่เรากำลังจะไปถึงก็ได้เปรียบกรรเหมือนเส้นทางเมื่อเราเลือกทางใหม่เรายอมรู้กับตัวเองว่ามันเรียบขึ้นหรือคลุกคราลงส่วนเสเบี้ยเสียที่เราพกขึ้นรถด้วยก็อย่าไปเผลอกินมันและอย่าเผลอเอาขึ้นรถเพิ่ม หรืออย่าพยายามเลี้ยงมันไว้ยิ่งทิ้งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมันอาจแสดงตัวเหม็นหืนบ้างเป็นบางโอกาสแต่ในที่สุดแล้วก็จะโดนแดดลมบนเส้นทางใหญ่ทำให้กลิ่นเหม็นเป็นหมันไปเองคิดนึกพราพููเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรบ่อยๆรูปชีวิตก็มีสิทธิ์เป็นไปตามนั้น ที่เราพูดว่าพยายามแล้วแต่ผ่านไปไม่ได้มันเป็นคำพูดที่เราสร้างขึ้นมาล็อกตัวเองเหมือนสะกดจิตตนเองให้เชื่อว่าฉันพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จมันผ่านไม่ได้ธรรมดาไม่มีใครยอมรับความจริงถึงต้องเวียน่หวตายเกิดอยู่อย่างนี้ลองถอดสองประโยคนี้ออกไปเหลือแต่คำว่าเกิดอะไรขึ้นก็รู้ตามนั้น ให้มันมีคํานี้มาแทนที่แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปเองฉันพยายามแล้วแต่ไม่สําเร็จมันผ่านไม่ได้เอาคําเหล่านี้ออกไปสังเกตแต่ธรรมชาติของใจที่มันมืดบ้างสว่างบ้างมืดมากบ้างมืดน้อยบ้างมันต่างไปเสมอในความจริงมีหลายสิ่งที่น่าเจ็บปวด ขอเพียงฝึกเห็นตามจริงในที่สุดเราจะยอมรับความจริงและเมื่อเรายอมรับความจริงความเจ็บปวดทั้งหลายจะหายไป